แน่เพราะนั้นพอ <c oughs> ไม่ไหนจะไม่ได้ดูคนมันปวดหัวอย่างลงตาเนี้ยนะเะถ้่ได้ดูแล้วก็ไม่ต้องกินยา a อ c ิซีเปเซ่แหละมันหายไปเลย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 วันนี้บรรจกเป็นวันบรรจกครบรอบที่เคยปฏิบัติเพื่อบูชาครูวาอาจารย์ของเราท่านพี่น้องทั้งหลายมาจากทั้งทางใกล้ทางไกลทั้งพระทั้งเนนประชาชนซึ่งมีความเคารพเรื่มใสต่อองค์ท่านพระอาจารย์ฟัน่นที่มรณภาพไปแล้ว ในทางธาตุขันธ์แต่จิตใจนั้นไม่ได้เป็นไปตามธาตุขันธ์ตามปกติของใจไม่มีป่าช้าอยู่แล้วประจำตนคำมาเกิดก็อาศัยสมมุติที่เขามาแทรกคือสมมุติส่วนต่างๆเช่นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาศัย ส่วนต่างๆมาผสมกันเรียกขึ้นว่าเป็นธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟอันเป็นส่วนใหญ่มาประกอบอิกดวงนั้นซึ่งไม่สามารถจะพึ่งตนเองได้โดยสมบูรณ์จำต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งในภพนั้นๆ เพราะฉะนั้นคำว่าเกิดแจเกเจ็บตายจึงมีประจําอยู่กับสิ่งเหล่านี้ที่จิตเข้าไปอาศัยส่วนจิตนั้นไม่มีคําว่าเกิดว่าตายมีแต่คําว่าท่องเที่ยวสู่พบน้อยพบใหญ่ดังที่รูเเ้เห็นกันอยู่ตามตําหลับตันลาก็เป็นพระพุทธเจ้าเสียเองผู้ทรงแสดงไว้หาที่ ผิดเพียนไม่มีแม้แต่น้อยเหุ่ที่ว่าเกิดตายเป็นเรื่องของธาตุของขันสลายลงจากส่วนผสมแล้วก็ลงสู่ธาตุเดิมของตนนั่นก็ไม่ตายคำว่าตายหมายเฉพาะที่สลายจากกันจากส่วนผสมนี้เท่านั้นจิตที่ <c oughs> ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ยังไม่เป็นตัวของตัวเมื่อที่พึ่งนี้ได้ขาด ถ้นลงไปโดยการสลายทํำไมที่เรียกว่าตายก็ อ, อาศัยวิบากซึ่งมีเชื้อพาให้เป็นไปอีกได้แก่วิชานั่นคือเชื้อที่จะพาให้เกิดแน่นอนวิบากได้แก่ดีชั่วที่แฝงอยู่ในเชื้อนั้นซึ่งอยู่ในกิจ ด, ดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นแม้จะมีคำว่าเกิด แต่คําว่าเกิดอาการของความเกิดนั้นไม่เหมือนกันกําเนิดที่เกิดไม่เหมือนกันความสุขความทุกข์ที่มีประจํากําเนิดนั้นๆเพราะอาศัยวิบากมีอยู่ภายในจิตนี้จริงไม่เหมือนกันมีสูงเกิดสู ง, ส ง, ส ง, สงต่ําลุ่ ม, ม, มดอ น, ดอนความสุขความทุกข์เกิด ผลกันไปมากน้อยตามแต่พบนั้นซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมให้เป็นไปเป็นมาอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วถ้าว่าจิตยังไม่สามารถจะพึ่งตัวเองได้โดยสมบูรณ์จำต้อ ง, ท, องท่องเขี่ยวและอาศัยสิ่งเหล่านั้นไปอีกตลอดไม่มีการยุติลงได้เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนให้บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อได้เป็นสเสบียงกลางในเวลาท่องเที่ยวอยู่ในวะตะัตฏะสงสารนี้จะได้อาศัยเป็นความถูกความสบายพอปลดปรงลงได้บ้างเป็นบางการบางเวลาจนกว่าจะสามารถพึ่งตนเองได้แล้วโดยสมบูรณ์และก็ไม่อาศัยอะไรอีก เรื่องธาดเรื่องขันเรื่องพบน้อยพบใหญ่ซึ่งเคยอาศัยมาก็เป็นอันว่ายุติกันนี่เรื่องคติธรรมนาของจิตที่มีเชื้อพาให้เกิดย่อมมีวิบากติดตามเสมอแยกกันไม่ออกนอกจากหมดเชื้ออันพาให้เกิดเสียนี่เมื่อไรแล้วนั่นน่วิบากก็หมด เพราะกิจเป็นตัวของตัวแล้วโดยสมบูรณ์ไม่หวังพึ่งพิงสิ่งใดอีกแล้วนั่นคือผู้หมดปัญหาผู้หมดปัญหา เ, หาเห่าที่กล่าวมานี้มีแต่ท่านผู้สิ้นกิเลสเท่านั้นนอกนั้นเป็นครังแห่งปัญหาด้วยกันทั้งนั้นนอกจากมีแง่หนักเบาต่างกัน ตอนพระพุทธเจ้าและพระทสาวกกรหันท่านเป็นผู้สิ้นสุดเรื่องปัญหาเหล่านี้แล้วเพราะเป็นตนของตนโดยสมบูรณ์คำว่าตนในสถานที่นี้ไมไ่หมายถึงตนแบบสมมุติที่เขาใช้กันเรายกขึ้นมาพูดว่าเป็นตนของตนหมายถึงธรรมชาตินั้นพอแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเองก็พอในตัวเองแล้วก็พอกับ สิ่งต่างๆทุกสมมติไม่ว่าจะอยากกลางละเอียดพอไปหมดท่านผู้นี้เรียกว่าผู้พอแต่ไม่เรียกว่าผู้ศูนย์ดังที่ว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วศูนย์พระอรหันต์ตายแล้วศูนย์นั่นเป็นเรื่องโมฆะบุคคลที่กล่าวมาแบบหลับหูหลับตา ไม่ได้ดูความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนและดูสาธนธรรมที่แสดงความจริงเข้ามาสู่จิตใจของตนบ้างเลยก็คว้าเอาเรื่องของเกเรสซึ่งเคยเป็นข้าศิกต่อธรรมปิดบังธรรมมาแต่กลางไหนนนำออกมาพูดซึ่งเป็นการปิดบังความจริงไปโดยลำดับจึงไม่ใช่สิ่งที่เชื่อถือได้ คำว่าพอแล้วคำว่าพึ่งตนเองได้เป็นที่แล้วนั้นมีอะไรถึงถ้าศูนย์ไปแล้วพอได้อย่างไนเอาคำว่าพอมาจากไหนถ้าศูนย์ไปไปแล้วเอาคำว่าบริสุทธิ์มาจากไหนถ้าศูนย์ไปแล้วเอาปรมังสุขขังมาจากไหนวันนี้พานเป็นสุขอย่างยิ่งค คำว่านิาพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นหมายถึงสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์แห่งใจนั่นแหละไม่ได้เป็นความสุขแบบสมมติทั้งหลายดังสุขเวทนาที่มีอยู่ภายในกายภายในจิตของสามัญชนทั่วไปนี่เรียกว่าสุขในขั้นสมมติมีอยู่ ท, ทั้งทา ง, ทางกายและจิตใจ ส่วนพระอรหันต์ท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วนั้นท่านมีเพียงทุกขเวทนาทางกายเท่านั้นรืในจิตของท่านไม่มีทั้งทุกขเวทนาและสุ ข, ขเวทนาอุปเบกขาเวทนาเหลืออยู่ในนั้นเลยเพราะฉะนั้นคำว่าปรังกุขขังจึงไม่ใช่สุ ข, ขเวทนา ที่โลกทั้งหลายอาจเอื้อมถึงอยู่นั่นไม่ใช่โลกที่มีกิเลสอาจเอื้อมถึงได้เป็นธรรมชาติแห่งความสุขของจิตที่บริสุทธิ์ต่างหากะทั น, น, นหวานิพพานนางปรามังสุ ข, ขงังเป็นสุขในหลักธรรมชาติที่มีอยู่กับความบริสุทธิ์นั้นสุขนี้จึงไม่มีคําว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกได้เลย เพราะอนิจจังทุกขังหน้าตาเป็นสมมติต้องอยู่ในวงสมมตินอกไปจากสมมุติไม่ได้ส่วนปรมังสุ ข, ขังนั้นนอกวงสมมติไปแล้วท่าในให้ชื่อว่าวิมุตเป็นชื่อเรียกขึ้นมาประเภทหนึ่งเพราะนั้นและไม่ยึดถือในสิ่งนั้นด้วยนี่เราทั้งหลายกำลังสาอแสแงหาทีผึ่ง ที่พึ่งของเราชาวพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่คือที่พึ่งทางใจเป็นกำลังจิตใจของเราเพื่อหน้าที่การงานทั้งหลายอีกด้วยคนที่มีกำลังศีลธรรมภาณในจิตใจยอมทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาดไม่วู้วาง มีเหตุมีผลมีเครื่องยับยั้งช่างตวงตนเองด้วยดีจึเงเป็นกำลังทั้งด้านจิตใจโดยเฉพาะเป็นกำลังเพื่องานต่างๆทั่วๆไปอีกด้วยไม่ใช่ผู้อบรมศรีล ร, รมแล้วจะมีกำลังเฉพาะใจเป็นความสุขเฉพาะใจมีประโยชน์เฉพาะใจเท่านั้น ยังมีประโยชน์อย่างกว้างขวางไม่มีประโยชน์อันใดที่ยิ่งกว่าผู้มีธรรมในใจทำประโยชน์พระพุทธเจ้าของเราทำประโยชน์ให้โลกมีใครเสมอได้หรอไม่มีพระสาวกแต่และองค์องค์งทำประโยชน์ให้โลกก็ได้อย่างกว้างขวางมีนำซ้ายังถึงจิตใจของเราทุกวันนี้ว่าพุทธังธรรมัาางสรังกฉามอีกด้วย พราะฉะนั้นพลังทางด้านจิตใจจึงเป็นของสาคัญคนเราเมื่อมีความพอใจในสิ่งใดแล้วย่อมทํานั้นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่กำลังทางด้านศีลธรรมนี้เป็นปนในทางที่ดีโดยไถ่เดียวไม่ได้เป็นกํกำลังในทางที่ชั่วที่พอใจในความชั่วคนพอใจในความชั่วย่อมสามารถทําความ ชัวช้าลมกได้อย่างถึงใจโดยไม่อิจนาและอาใจไม่คิดว่าลำบากลำพานเพราะความพอใจพาให้ทำทำหนักขนาดไหนทำได้อย่างถึงใจนี่เป็นพลังของกิเลสไม่ใช่คือพลังฝ่ายต่าพลังทางความเสียหายที่จะให้ทำความเสียหายได้มีพลังเช่นเดียวกัน พลังของธรรมเป็นอีกอย่างหนึ่งคนมีธรรมในใจมีกำลังใจสามารถทำถ ง, งามความดีได้อย่างถึงใจนี่ถ้าทรรมไม่มีกำลังก็ไม่สามารถจะปราบกิเลสซึ่งเป็นตัวพลังสำคัญให้หมดสิ้นไปจากใจหรือลดน้อยถอยลนไปได้เพราะฉะนั้นพลังของธรรม จึงมีเนื้อกิเลสอย่างน้อยก็พอกิเลสและพอพักพอเหวี่ยงกันเช่นเราเริ่มต้นฝึกหัดเริ่มต้นมีความสนใจในพระพุทธศาสนาจิตใจยังไม่มีกำลังขอย่อมแพ้ต่อฝ่ายต่ำอยู่เสมอจะทำบุญให้ทานเสียสละเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์คนอื่นความท่านิ่เหนียวแน่น มันก็เขามาจีบมาขวางทำลายเสียเงินบาทหนึ่งสองบาทยิบแล้วหยิบเล่าสลากไม่ได้เพราะเห็นไหลเพราะกาลังแห่งศรัท ธ, ธาความอยากเสียสลานั้นไม่มีกําลังมากเท่าความตน้นหีขี่เหนียวซึ่งเคยฝังใจมานานเพราะฉะนั้นพอเราหยิบยกเงินขึ้นกี่บาทกี่สตางค์ที่จะสละกทำมุลให้ทานมันปัดทีเดียวเท่านั้นหลุดมือไปเลย นี่แสดงว่ากิเลสมันมีกำลังมากกำลังทางฝ่ายต่ำที่เป็นมารของธรรมฝ่ายชั่วเป็นมารของฝ่ายดีมีกำลังมากกว่าฝ่ายดีสามารถที่จะทำคนซึ่งมีเจตนาที่จะทำดีให้หยุดชะงักไปได้เพราะกำลังไม่พอกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเราในพยายามหลายครั้งหลายหนทำได้ที่นี่ อย่าว่าแต่เพียงที่กล่าวนี้ว่าสองบาทสามบาทนี่แหละเป็น ร, ร้อยร้อยพันพันหมืนม่นหื่นแสนแสนหรือเป็นล้านล้านก็ทำได้เพราะกำลังของเราฟิตขึ้นมาทุกวันย่อมมีกำลังต่อสู้กับายต่างได้ไปโดยลำดับลำดัสุดท้ายจะทำอะไรนี้นเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วเท่านั้นทำได้เลยทำได้อย่างถึงใจ นี่กำลังของทำรรแก้กันไปโดยลำดับอย่างนี้เห็นความเสียสละเราเชื่อในการทำบุญให้ทานทำลงไปแล้วไม่ไปไหนใครเป็นผู้ทำเราเองเป็นผู้ทำ ร, ร, รู้อยู่ชัดๆประจักษ์ใจหยิบยื่นสิ่งในออกให้ทานแก่ท่านผู้ใดเราเห็นด้วยตาของเรารู้ด้วยใจของเราประจักษ์อยู่กับตัวเองเป็นผู้ทำรร เมื่อเราทำลงไปแล้วผลประโยชน์ก็เห็นประจักหนึ่งผู้ได้นับทานจากเราก็ได้นับความสุขความสบายเช่นขาดตกบกพ่องหรือมีความจำเป็นความจะเป็นนั่นก็หมดไปเพราะอำนาจแห่งความเสียสละของเราไปชะล้างความขัดข้องขาดเถินความทุกข์ความทรมานของเขาเพราะความจนหรือความไม่มีนั้นให้กลายเป็น ผู้มีความสุขความสะดวกขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งการเสียสละของเราเราเองก็มีความปีติยินดีว่าได้เสียสละสิ่งของที่เป็นประโยชน์แก่ตนนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อย่างประจักษ์ใจประจักษ์ตาเหมือนกันนี่เมื่อเราทราบเราได้ทำอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆในแง่อื่น ก็ค่อยชนะกันไปแบบนี้เหมือนกันการให้ทานและการรักษาศสีลมันก็มีแง่อันหนึ่งที่จะมาสอดแทรกขัดขวางเา่าในฟังฝ่ายต่ำต้องมีเสมอไปเพราะเป็นข้าศึกกับฝ่ายดีอยู่ทุกระยะไม่เคยปล่อยระยะเลยเพราะฉะนั้นเราจะแยกขแขนแน่งแห่งความดีออกเพื่อบาเพ็ญแขนแข่แงไหแขน่งแห่งความชั่วกาลังแห่งความชั่วจะต้อง ติดตามเข้ามาหีุขวางจนได้แต่ก็ทนไม่ได้เพราะกำลังของเรามีมากและสู้ก็ได้เดิมดั่งแต่พูดถึงเรื่องขั้นการจเจริญภาวนา น, นั่งคู่เดียวก็เหมือนกับจะถูกเอาไปเข้าตะแลงแตงแดนประหารชีวิตเจ็บนั่นปวดนี้ศีรษะอยู่ดีๆไม่ปวดพอจะนั่งภาวนาถูกกิเลสมันทบเอา ปวดหัวทำไม่ได้แล้วเจ็บนั่นปวดตรงนี้งานนั้นก็กว้านเข้ามางานในแดนโลกธานนี้กว้านเข้ามาเพื่อวันพรุ่งนี้ <c oughs> เพื่อวันมาดูนี้หรือเพื่อเดี๋ยวนี้จนได้ <c oughs> นี่ถ้าเราทำภาวนาแล้วงานนั้นเราก็ขาไปเราจะไม่ไทำอาถรรพ์วันพรุ่งนี้ล่ะวันตรงนี้ยิ่งมีงานรุ่งมากทำไม่ได้ <c oughs> หัวเสียไปเลยจริงนั่นกิเลสมันเอาให้หัวเสียหัวเสียไปเรื่อย ทีแรกเป็นอย่างนั้นพอนั่งภาวนาไม่ถึงสิบนาทีสิบห้านาทีเจ็บระบบไปหมดทั่วสารพางร่างกายเพราะมันเจ็บที่ใจถูกกิเลสบีบบี้สีไฟเอาไม่ให้ทำไม่ใช่เจ็บที่ไหนเนี่ยมันก็เลยทะเลทะไหลหาเรื่องแส่ว่าร่างกายว่าเจ็บทั่นปวดนี่นี่คือพลังของไฟต่ำมันพยายามขีดขวางหรือบีบค้านอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราเป็นชาวพุทธ เราเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นวิเศษกว่ากิเลสเป็นไหนๆกิเลสเป็นสิ่งที่ต่ำสาปราดทั้งหลายไม่พึงปราดถนาทั้งนั้นเหตุใดเราเป็นลูกสิทธัตถะโคตจะไปกิเลสสทนังคัจฉา ม, มีอย่างหีือเราเคย เป็นงวาจาหรือพูดทางใจอยู่เสมอมาว่าพุทธังทำมังสังพังสันลังคาถาหนี้ถือพระพุทธเจ้าเป็นสัญณะเพราะความเชื่อถือพระพุทธเจ้าเหตุใดจึงต้องเชื่อถือกิเลสเอากิเลสเป็นสรญลณ์โดยไม่รู้สึกตัวนี่มันมีการขัดกันแย่งกันต่อสู้กันไปหลายครั้งหลายหนเราเริ่มภาวนาที่แรกก็กีดก็ขวางอย่างว่าพอหลายครั้งหลายหนเข้า ทำแทเขาถึงใจความสงบไม่เคยมีก็เริ่มปรากฏขึ้นมาเอาจิตเป็นอย่างนี้แต่ก่อนไม่เคยรวมสงบตัวเข้ามาให้มีความสุขความสบายกายที่หนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลกูกมาแต่ระยะก่อนนั้นกลับเบาหิวเหมือนสำลีจิตใจที่เคยพุ่งสร้างรำคารกับสิ่งต่างๆด้วยความคลึกขนนอง ก็สงบตัวเข้ามาสู่แดนแห่งความสงบผลแห่งความสงบปรากฏขึ้นเป็นความถูกความสบายเบาทั้งใจเบาทั้งกายนี่ปรากฏเด่นขึ้นแล้วนี่คือทำได้ซึนทราบเข้าถึงใจใจมีความกระหยิ่มยิ้มย่องก็ผลแ่งความดีความสงบเย็นใจของตนนั่นเป็นการวางเชื้อลงไปแล้ว เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในผลของตนที่ได้ปรากฏจากการกระทำของตนต่อจากนั้นก็จิตก็มีกำลังขึ้นมาโดยลำดับการเจ็บนั้นปวดนี้ค่อยหายไปหายไปเพราะายต่ำมันทดลองลายยังเสียงเราลองดูเห็นเราไม่ก็สักอ่า วันไม่ไหวต่อสู้มันอยู่ไม่ถอยมันก็ถอยทับไปทัพกองทัรทรแล้วก็ขึ้นได้เรื่อยวิริยะธรรมก็เพียงอยู่โดยสมองสมูขันติธรรมนามาใชา้อดทนสติปัญญาเครื่องฟาดปันพันแหละ ก, กับกิเลสนามาใชา้กันอยู่สมูกิเลสก็เข้าไม่ค่อยติดหินจิตก็มีหลักมีฐานมีธรรมเป็นที่ยึดแต่ก่อนอาศัยกิเลส เป็นผู้รับรึงเอาไว้หาแต่ความทุกข์ความท ร, รมานมาใส่ใจเผาโรมจิตใจอยู่สเสมอพอทําได้แทรกเข้าถึงใจเท่านั้นความเย็นความสบายซึ่งไม่เคยคาดเคยฝันไม่เคยมีมาก่อนก็ปรากฏขึ้นที่ใจดวงนี้นี่ปลูกศรัทธาความเชื่อขึ้นมาวิริยะความเพียรก็เกิดขึ้นมาความอดความทนที่จะบากบั่นเพื่อผลอันดียิ่งกว่านี้ขึ้นไปโดยลํำดับ ก็มีมาเองมีมาเองตามกันมาเรื่อยเรื่อยนี่เรียกว่ากำลังของธรรมเริ่มมีขึ้นที่ใจแล้วกำลังของฝ่ายต่ำเริ่มลดลงโดยลำดับโดยลำดับทีนี้ฝ่ายนี้ก็แสงหน้าขึ้นไปเรื่อยเรือยจนถึงขั้นอย่างความสงบที่ละเอียดแนบแน่นยิ่งกว่านี้ความสุขที่ละเอียดสุขขุมแนบสนิท กับใจยิ่งขึ้นไปกว่าที่เคยเป็นมาโดยลำดับลังดาสิ่งที่เคยอาศัยมาแต่ก่อนที่ว่าเป็นความสุขความสบายเพราะกิเลสเสศสันต์ปัญญารืออมป้อนเหล่านั้นก็ค่อยสลัดไปสลัดปัดทิ้งไปเดินดับเพราะคุณค่าของมันสู้คุณค่าแห่งธรรมไม่ได้นี่แหละการปล่อยกิเลสปล่อยเพราะรสชาติที่เหนือกัน รสชาติของธรรมเหนือรสชาติของกิเลสจึงสามารถปล่อยกิเลสประเภทนั้นๆได้โดยลําดับรสชาติของธรรมสูงเยี่ยมขึ้นไปละเอียดละออก็ไปเท่าไหร่ก็เป็นเหตุให้ปล่อยกิเลสส่วนที่แพ้ธรรมลงมาได้โดยลําดับําดับส่วนไหนที่ยังเหนืออยู่เรายังไม่สามารถก็ยอมนับไปก่อนนะสู้กันไปเรื่อยๆมีเพียงขั้นความสงบของใจ ก็เดี๋ยากุ่นเลขึ้นแล้วเรียกสมถะธรรมความสงบเป็นธรรมรที่พึงปรารถนาประเภทหนะึ่งจากนั้นก็วิปัสสนาธรรมคือความรู้แจ้งแทงตลอดการที่จะให้รู้แจ้งแทงตลอดแทงที่ตรงไหนตลอดที่ตรงไหนตลอดแทงทะลุตรงที่มันเคยมืดเคยดำสกุลกายที่เกิดมาตั้งแต่วันอุบัติที่แรกจนกระทั่งบัดนี้ แสดงความสุขให้เราแม่นนิดหนึ่งไม่เคยปรากฏมีตั้งแต่แสดงความทุกข์แต่เราหกพูดกันเฉยเฉยว่าสบายดีเหลือหมาถึงว่าสบายกายมันไม่เป็นโรคเป็นภัยอยู่ปกติแล้วก็หมาว่ามันสบายความจริงมันไม่เห็นแสดงความสบายขึ้นมาให้เราเห็นเลยจะมีบ้างตอนที่สัมผัสสัมพันธ์กับอาหารการบริโภคม mm hmm. ัน อันนี้หวานอันนั้นมันอันนี้อร่อยมีในทั่วระยะระยะของมันที่มีสิ่งมาสัมผัสสัมพั์โดยปกติของมั่งกายแล้วหาความสุขไม่ได้นอกจากเป็นความทุกข์ขึ้นมาจากโรภัยข้เจ็บจากความหิวความกระหายเจ็บท้องปวดทิ่สะมันแสดงแต่ความทุกข์ขึ้นมาเป็นส่วนมากเท่านั้นนี่เราก็ถือว่าเป็นเราเป็นของเราถือเป็นสมบัติอันล้นค่ารักสงวนยิ่งกว่าสิ่งใดๆ โนปลือมันเสียจนไม่มีเหตุมีเหตุมีผลไม่มีเครื่องยับย้างช่างตวงตนบ้างเลยจนเสียผู้เสียคนไปเพราะการบำรุงบำรเลยร่างกานี้มีจำนวนมากเหมือนกันอาหารการบริโภคที่นำมาเยียวยารักษาธาตุขันนั้นมีเหตุผล <c oughs> เป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่แล้วในโลกนี้้รว่าวสบเบสัตาอาหารติถิกาสัตว์โลกู เป็นอยู่ด้วยอาหารอันนี้เป็นความจำเป็นที่มั น, มนบำรุงบำเลอให้เลยขอบเขียเหตุผลนี้ไปจนกลายเป็นความคุ้งเฟ้อเหอ่อทะยานแล้วกลับมาสังหารตนให้เสียไปวันเล็กน้อยจนเสียไปหาที่เยี่ยวยาไม่ได้นี้มีจานวนมากเพราะความหลงความโกนด้วยอานาจของกิเลสมันถุดมันลากไปมันเจ็ดสันปัญนยอ ให้เรารักให้เราสงวนจนลืมอัดลืมทาลืมสติปัญญาที่จะมาพิจิตพิจารณาไก่กรองตามหลักความจริงที่มีอยู่นีออ้เพราะฉะนั้นท่านถึงพอจิตมีความสงบเมื่อจิตมีความสงบย่อมอิ่มตัวในขั้นนี้ไม่ฟุ้งเฟอ้อเหือเหอไม่สายแสเร่ร่อนไปที่นั่นที่นี่แล้วบังคับให้ทำงาน คือใช้ปัญญาพินิตพิจารณาแทงทะรุลงก้อนถากุกองขันก้อนอนิจจทุกขังาตาที่เป็นธรรมของจริงนี่แหละแต่กิเลสมันเสกสรรปั้นราว่าเป็นของความสุขความเจริญเป็นอัตตาเป็นเลวเป็นสุขเป็นคำว่าอนิจจจิตคำของจริงท่านแสดงไว้มันบอกว่านิจจเที่ยงไปเสียเหมือนก็นเราจะไม่ตายไปถ้าไม่มีกิเลสมันเสกไปอย่างนั้นเสีย ทุกครั้งร่างกายมีนทุกแทบล้มแทบตายมันก็หาว่าเป็นสุไปเสียเนี่ยมันแทรกเข้ามาอย่างเนี้ยกิเลสแทระทำของปลอมแทรกของจริงอนาตตาหาตัวตนที่ไหนมีอมืพิจารณาแยกส่วนแดงส่วนมงไปแล้วมันมีแต่ธาตุฝดินน้ำลงไปกระจายลงไปก็ไปเป็นธาตุเดิมของเขาเอาตัวเอาตน เ, เ, เอาเราเอาเขามาจากที่ไหนถ้าไม่ใช่เรื่อง ปัญนยอของจิเดชมาหลอกเราต่างหากนี่ปัญญาสอดแทรกลงไปพิจารณาลงไปทีนี้เมื่อปัญญาได้พิจารณาสอดแทรกลงไปคลี่คลายให้เห็นตามความจริงทั้งที่สิ่งที่ปลอมทั้งสิ่งที่จริงเมื่อเข้าใจในความจริงแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่ปลอมยึดมั่นในความจริงเพื่อถากถางทางเดินของตนให้ราบรื่นชื่นใจไปโดยลำดับลำดับนี่ท่านเรียกว่าวิปัสสนา พิจารณาเดินธาตุเด่นขันสกุลก า, ายทั้งของเขาของเราตลอดจัทั่วโลกดินแดงเต็ไมไปด้วยอนิจจังทุกขังนาตานี้จิตของเราแทงทะลุเข้าไปในส่วนร่างกายเห็นตามความจริงของมัน แ, แทงไปที่ไหนทะลุไปหมดท่านจึงเรียกว่าโลกระบีถือรู้แจง้งเห็นจริงทั้งภายนอกคือขันภายในร่างกายจิตใจของเราและแทงไปขันนอ ก, กรูปจัตุคคลภายนอกไม่ว่าหญิงว่าชาย ดูทะลุ ป, ปูปพงไปด้วยอันนี้จังทุกขะนิธรรมเพราะอํานาจของสติปัญญามีจิตก็ยิ่งเบิกกว้างไปขยายวงของตัวความรู้ความสลาดความสามารถออกไปเรื่อยๆวิเลศที่เคยแบกเคยหามมาตั้งแต่ก่อนหนักขนาดไหนก็ทนแบกทนหามไปยังหาว่าเบาไปอีกนั้นกลายเห็นว่าเป็นของหนักแล้วที่นี่ฉลัดออกฉลัดออกปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ย จนกระทั่งสติปัญญามีความสามารถฉลาดรู้รอบธาตุรอบขันขันมีอะไรรูปประขันได้แก่ร่างกายของเราทุกส่วนทั้งภายนอกภายในนี่เรียกว่ารูปประขันเวทนาขันคือความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยซึ่งมีอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจมันก็แทงทะลุเข้าไปเอาอนิจจังทุกขนาตา ระหาบเข้าไปชะล้างเข้าไปตัวจอมปลอมทั้งหลายมันมันก็สลายตัวออกไปสลายตัวออไปสัญญาความจำได้หมายรู้เรียนมามากน้อยก็เป็นความจําพอจําแล้วก็หายไปหายไปเหมือนไม่มีต้องการสิ่งนั้นต้องการอันใดก็คิดขึ้นมาปรุงขึ้นมาจําขึ้นมาในขณะนั้นแล้วดับไปดับไปสังขารกระปรุงอย่างนั้นแหละคิด วิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งมากระทบจากรูปเสียงกลิ่นรนเครื่องสัมผัสเข้ามากระทบตาหูจมูกริ้งกายก็รู้ในระยะที่สิ่งนั้นสัมผัสพอสิ่งสัมผัส ด, ดับไปอันนี้ก็ดับไปเอาสาระแก่นสารจากอันนี้ได้อย่างนี่ปัญญาทบทวนอยู่ตลอดเวลาสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในขันนี้รูปรปะขันก็รู้แจ้งแทงตลอดปล่อยวาง อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเสียได้เบทนาความสุขความทุกข์ในส่วนร่างกายก็ระลุเท่าทันว่าเป็นความกินแต่และอย่างเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรปัญญาสั้งขาวิญญาณก็แบบเดียวกันสักแต่ว่าอาการอาการอันนี้ที่ปรากฏขึ้นมาแล้วดับไปตามหลักธรรมชาติของเถ้าจิตผู้ไม่ดับก็ทรงตัวความรู้ไวเช่นนั้นปัญญาก็สอดส่องมองทลุสิ่งเหล่านี้ เมื่อเข้าใจไปถึงไหนความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามามกายทั้งกายอิ่มตัวแล้ว<ม>จิตไม่ไปยึดแล้วเวทนาสัญญาสังขานวิญ ญ, ญาณเฉพาะ อ, อย่างยิ่งความสุขภายในกายที่ว่ามีความสุขก็ถอนอย่าว่าแต่ทุกข์ที่ไม่ปรารถนานั่นเลยสัญญาสัญญาสังขานวิญ ญ, ญาณก็อถอนอิ่มตัวกับสิ่งแบบนี้ แต่ก่อนไม่อิ่มตัวหวังพึ่งพิงสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้เลยกลับทับลงไปแทนที่จะได้พึ่งพิงเขาเลยกลายเป็นเขาบีบคั้นออกเราก็ไม่รู้สึกแต่พอปัญญาได้สอดส่องลงไปแล้วสิ่งนี้รู้ว่าเป็นโทษจริงๆความยึดมั่นถึอมั่นสำคัญผิดนี้เป็นหนามยอกหัวงใจเราเองรู้ได้ชัดถอดหงวงัวหนามที่มันยอกหัวงใจออกด้วยยิปัชนาญาณคือปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วถอนออกหมด อุปทานในขันคือรูปเวทนาก็อคือรูปเวชนาสัญญาทั้งขานวิญญาณทอดออกได้หมดนะจนไม่มีเหลือนี่นี่ละอิ่มตัวถ้าเรียกว่าจิตมีที่พึ่งมีที่อาศัยเข้าไปโดยลําดับต่ก่อนอาศัยสิ่งนั้นยึดถึงนั้นหนักในสิ่งนั้นหนักในสิ่งนี้ทุกข้อสิ่งนั้นทุกข้อสิ่งนี้ท้อความเมื่อรับข้อของใจนั่งแหละ เมื่อใจมีความรอบครอบแล้วสลัดปัดทิ้งไปโดยลำดับเบาเข้ามาโดยลำดับกิเลสที่มันเคยปักเสียบไว้ทุกแห่งทุกผลทุกแง่ทุกมุมภายในร่างกาหรือในขันห้านี้เต็มไปหมดก็ถูกถอดถูกถอนเข้ามาเป็นลำดับลำนาจนไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในขันขึ้นชื่อว่ากิเลสอุปาทานไม่มีเหลือเลยเนี่ยที่มันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยปะคําว่าปัญญาฟังให้ดี นี่ปัญญาทางภาคปฏิบัติทางภาคพิสูจนใจพิสูจน์การเกิดเจ็บเจ็บตายของใจของธาตุของขันธ์ที่มันต้องเที่ยวตลอดเวลาใครเป็นผู้เป็นหมายตั้งใจตรงนี้ใจตรงนี้ก็คือเราคนนี้แหละเป็นผู้เป็นเนี่ยพิสูจนเข้ามาด้วยภาคปฏิบัติเมื่อไล่ตะล่ำเข้ามาถอดเข้ามาถอนเข้ามาเพราะความรูแ้แจ้งเห็นจริงเนี่ยกิเลสทุกประเภทสลายตัวลงไปสุงไปลงไป ทุต่าก็ยังเหลืออยู่ที่อวิชชาปัิยาสังขาระอวิชชาอยู่ที่ไหนที่นี่กินก้านสาขาทางเดินของกิเลสประเภทเป็นเชื้ออยู่ภายในจิตนี้เดินออกมาทางรูปเบทนาสัญญาสังขารมิญญาณที่เรียกว่ามาสิงมาอาศัยอยู่ในสิ่งเหล่านี้เป็น ที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่หลับที่นอนขอ ง, ของกิเลสก็ได้บูกเสียงกินลดเครื่องสัมผัสเป็นทางเดินเที่ยวกว้านอาหารเข้ามาสู่กิเลสแต่กว้านเอายาพิษมาเผาใจเรากิเลสมันรื่นลงแต่หัวใจเรามันเหี่ยวแห้งจะเป็นแหล่จะตายแหล่อยู่นั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นพลุแล้าไม่ไม่ทราบจะหาทางออกทางไหนทีนี้เมื่อสติปัญญามีความสามารถฉลาดแหลมคมทันมันแล้ว รูปเสียงกินนสดก็รู้เท่าทันหมดแล้วก็เบ็ดขันทั้งห้าก็รู้เท่าทันอีกตับสะพานของกิเดสซึ่งเป็นสถานที่อยู่ที่ท่องเที่ยวกยิเลสเข้ามาเปนนน็นลำดับหาทางไปไม่ได้ก็วิ่งเข้าสู่อุโมงค์ได้จากจิตนี่นั่นหละที่นี่เมื่อเข้าประชุมจุดนั้นแล้วมีจุดเดียวที่ที่จิตยุด ที่จิตหลงอกิเลห์มีอยู่ที่ไหนต้องหลงที่นั่นเมื่อมันมีอยู่ที่ไหนต้องหลงที่นั่นแล้วต้องยึดที่นั่นนี่ไม่มีที่ยึดมันก็ยึดจิตนี่ไม่มีที่หลงก็หลงจิตคำว่าหลงจิตคือหมายคำว่าขี้เลห์อยู่ที่นั่นมันจึงหลงที่นั่นกิ้เลห์อยู่ที่นั่นมันจึงยึดที่นั่นกี้เลห์อยู่ที่นั่นมันจึงเป็นทุกข์ที่นั่นแม้ไม่ทุกข์มากก็ตามแต่ก็ทุก ตามภูมิของกิเลสตามภูมิของจิตขึ้นว่ากิเลสอยู่ที่ไหนจะไม่ทุกข์ไม่มีเป็นแต่เพีเยงว่าอยากละเอียดหรือหนักเบาต่างกันเท่านั้นในขั้นนี้เราจะปฏิเสธได้ยังไงว่าทุกข์ไม่มีท่อกองอนนีน้จังทุกขังตายังมีอยู่ในนั้นกิเลสที่เป็นตัวสมมุติมีอยู่ในในจุดใดอันนี้จังทุกขังตาก็มีอยู่ในจุดนั้นเมื่อไปเช่นนั้นทุกข์จะไม่มีได้อย่างไรแต่ปัญญาไม่มีสิ้นสุดของนักคน้นคว้า ต้องตีตะล่ำเข้าไปตะล่าเข้าไปจนถึงเหตุถึงผลถึงต้นถึงปลายกันอย่างแท้จริงจึงจะปล่อยวางกันได้ถ้ากิเลสไม่ตายสติปัญญาขั้นนี้จะถอยหลังไม่ได้ว่าฟันหันแหลกกันลงไปจนกระทั่งอวิชชาปัญญาสร้างขาราแต่กระจายจากใจหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนั่นแหลคือผู้พอตัวเต็มที่แล้วผูจวว้จิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วจิตดวงที่ เป็นตัวข้างตัวเต็มที่แล้วไม่มียุดยึดอะไรที่นี่จากนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวเกิดนน้นเกิดนี่อาศัยนั้นอาศัยนี้เหมือนอย่างแต่ก่อนที่พึ่งตนเองยังไม่ได้มเมื่อพึ่งตนเองได้เต็มที่แล้วปล่อยตัวประการทั้งปวงนี่แหละการพิสูจน์ จ, จิตใจพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์ทางภาคปฏิบัติ พระสาวกทั้งหลายท่านพิสูจน์ทางภาคปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงทั้งโทษทั้งคุณอย่างถึงใจด้วยภาคปฏิบัติธรรมะเกิดขึ้นมาเพราะการพิสูจน์นี้ที่เราได้กราบไหว้บูชายทุวันว่าธรรมบางสันนิานินั้นเกิดขึ้นมาจากการพิสูจน์ของพระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงเอมเม็ดเ็มหน่วยธรรมก็แสดงขึ้นในพระทยเต็มดกจก็เป็นพุท ธ, ธะทั้งดวงนั่น่ะ พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นถ้าสงสาวกอยู่ตรงนั้นไม่อยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธทางธรรมังสังขังสนาตถามนีนี้จึงไม่มีคำว่าการสถานที่เป็นจุดที่เหมาะสมกับใจของพุทธบริษัทผู้ะระลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาสูญไปที่ไห น, เ, นเมื่อได้เห็นหลักธรรมชาติอันตายตัวอันแท้จริงนี้พระจากใจแล้วสงสัยพระพุทธเจ้า ไปหาอะไรกันพระพุทธเจ้าปริิพานทีพระองค์นั้นคำ ม, มาปฏิพาน์ก็หมายถึงตายธาตุขันธ์มันสะลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมพื้นดินน้ําลงไปเพียงเท่านั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นมีการสถานที่ที่ไหนถ้าเราอยากจะทราบนี้เราก็พิสูจน์จิตใจของเราซึ่งเป็นความรู้เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันเพราะมีสิ่งแทรกซึมอยู่นี้เท่านั้นให้ออกไปจากใจ จนกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์แล้วถามพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์อะไรพุทธานั้นฉันใดพุทธานี้ก็ฉันนั้นธรรมานั้นฉันใดธรรมะที่เต็มเตี่ยมอยู่ในดวงใจอันเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งนี้ก็มีอยู่ฉันนั้นสังฆะชันนั้นฉันใดสังฆะอันนี้ก็ฉันนั้นน่นพุทธะธรรมะสังฆะรวมลงเป็นธรรมอันเอกดูในธรรมแท่งเดียวกิบ ด, ดวงเดียวนี้แล้ว ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็กราบพระพุทธเจ้าได้สนิทติดใจไม่สงสัยพระพุทธเจ้าปริญญาพันไปกี่ปีกี่เดือนนั้นเป็นเพียงการสถานที่ตามสมมุตินิยมเท่านั้นหลักกรรมจริงทแท้คือธรรมชาติที่กล่าวนี่แหละคือพุทธแท้จงพยายามทําพุทธของเราที่ล้มลุกคุกขานนี้ให้ตั้งตัวได้แม้ตั้งไขไดากันยังดีเราเกิดเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาหรือ จะไม่มีอำนาจวาสนายิ่งกว่าสัตว์ได้ยังไงนี่เราสูงกว่าเขาแล้วในอัตภาพก็ร่างกายมนุษย์นี่ถือว่าเยี่ยมกว่าสัตว์ความรู้ความฉลาดแหลมคมของมนุษย์ก็เยี่ยมกว่าสัตว์ความประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ที่มีศีมีธรรมก็เยี่ยมกว่าสัตว์เราเยี่ยมกว่าเขาทุกด้านทุกด้านแล้วรงพยายามทําตัวของเราให้เยี่ยมขึ้นไปเดินดับจนกระทั่งเอาหาที่ตําหนิเราไม่ได้แล้วไม่มีใครจะมาตําหนิตําหนิก็เป็นลปมปากของเขาเฉย ซึ่งหาประมาณไม่ได้เพราะเหตุว่าปากคนไม่ได้มีฝาปิดเหมือนฝาปิดองน้ำเขาจะว่าอะไรเขาว่าไปหูเราก็มีเราก็ไม่ได้มีฝาปิดก็ฟังเขาไปเขาว่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเขาสร้างเหตุดีชั่วขึ้นถิดใจที่ปากของเขาถ้าเราไม่ระยึดเอามาเป็นอารมณ์เสียเราก็ไม่สร้างเหตุดีชั่วขึ้นถิดใจของเราใจั้งเราก็ไม่มีเรื่องเราก็อยู่สบาย นี่แหละการเรียนรู้โลกธรรมรู้อย่างนี้แล้วทหารดับโลกธรรมดับได้ที่ไหนถ้ามาดับที่ดวงใจจึงเป็นตัวเหตุแห่งโลกธรรม น, นี้ไม่มีที่ดับดับที่นี่รู้เท่าที่นี่แล้วอยู่สบายนี่นี่แหละการพิสูจน์จิตจิตเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเียนดังที่เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นท่านอาจารย์มั่นท่าเองเป็นผู้พูด ท่านพูดออกมาจากภาคปฏิบัติภาคความรู้ยิ่งเห็นจริงจากการพิสูจน์ของท่านโดยแท้จริงแล้วสงสัยที่ไหนเราอยากจะทราบว่าจิตเป็นนักท่องเที่ยวก็ให้พิสูจน์ตรงตรงนี้นะฮเมื่อพิสูจน์ตรงตรงนี้ดังที่กล่าวมานี่จนกระทั่งถึงเหตุถึงผลถึงต้นถึงปลายอย่างแท้จริงทั้งฝ่ายคุณฝ่ายโทษยทอย่างถึงใจแล้วหาที่สงสัยไม่นดอยู่ที่ไหนก็สมบสัติ แม้ที่สุดการตายจะตายเวลาไหนไม่เห็นสําคัญความเป็นอยู่กับคามตายไปของผู้สิ้นกิเลสแล้วมีน้ําหนักเท่ากันยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่หวังเอาอะไรจากธาตุขันอันนี้เพราะจิตพอตัวแล้วไม่หวังครึ่งขันตายไปก็จะคิดหายผลปี้ที่ไหนความพอตัวอยู่กับจิตนั่นแล้วไม่ได้อยู่กับธาตุกับขันไม่อยู่กับการสถานที่ไปหวัตไหวที่ไหนกัน ก็อยู่กับความพอตัวนั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความน้ำหนักแห่งการมีชีวิตอยู่กับความตายของพระกินาสบเจ้าจึงไม่นอกเหนือจากกันเสมอกันน้ำหนักเท่ากันเป็นมีหมายถึงเรื่องของท่านโดยเฉพาะแต่ถ้าจะแยกไปถึงประโยชน์ประชาชนการเป็นอยู่ของท่านก็มีน้ำหนัก มากกว่าความตายไปเสียซึ่งโลกยังอาศัยยังยึดสมมุติอยู่เมื่อพัดพาจากไปก็มีความเสียดาเสียอกเสียใจขาดที่พึ่งพาอาศัยขาดการสดับรับฟังผู้ให้ อ, อุปกาในการแนะนําสั่งสอน <c oughs> เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการแนะนําสั่งสอนการได้เห็นได้ยินก็มีจะ ประชาชนทั้งหลายเป็นจำนวนมากหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่จึงดีกว่าตายไปเสียนี่หมายถึงประโยชน์ถ้าพูดถึงประโยชน์ของท่านแล้วการเป็นอยู่และการตายไปนั้นมีน้ำหนักเท่ากันเท่ากันพอท่านพอตัวอยู่แล้วมีชีวิตอยู่ก็พออยู่ภายใน่างตายไปแล้วจะบกพร่องที่จะได้อย่างไอันไหนบกพ่องอันนั้นก็เป็นไปตามความบกพร่องเพราะเป็นสมมติ อันไหนสมบูรณ์เต็มที่แล้วโดยทางวิมุตตก็อยู่ตามหลักธรรมชาติแนหะ่งความสมบูรณ์ของตนไม่ขัดแย้งกันนะี่ยก็มีเท่านั้นนี่เรามากราบว่าครูบาอาจารย์มาเคารพ บ, บูชาท่านก็คือเคารพตนบูชาเรานั่นแหละบำรุงจิตใจของเรานั่นแหละเป็นหลักสำคัญแต่อาศัยท่านเป็นต้นเหตุ การไหว้บูชาท่านด้ยวยความเคารพนอบน้อมมากน้อยเพียงไหนก็เป็นการทําประโยชน์แก่ตนได้มากน้อยเพียงนั้นนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ผู้เชื่อกรรมเชื่อที่การกระทําของตนกระทําดีกระทําชั่วในที่แจ้งที่รับไม่สําคัญสําคัญที่การกระทําดีและชั่วใครเป็นคนทํานี่อยู่กับคนนั้นเพราะคนนั้นเป็นผู้สร้างเหตุดีชั่วขึ้นมากําลังใจของหนักความพอใจของหนัก มาด้วยความพอใจเมื่อความพอใจมีแล้วกําลังใจก็มีแต่ความพอใจไม่มีเสียอย่างเดียวกําลังใจก็ไม่มีกําลังทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติเงินทองอะไรมันไม่มีทั้งนั้นมันไม่มีไปจากษ์ใจใจมีกําลังแค่อย่างเดียวมันก็ตะเกียกตะการได้คนเหราตามสภาพกําลังวังขาของตนนั้นตรงพากันบําเพ็ญคุณงามความดีอยากได้ละได้ปล่อยวาง โอวาทนี้เป็นโอวาทของจอมปราพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วสั่งสอนทำไว้ให้แก่เราไม่ใช่คนมีกิเลสเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์เราเชื่อคนที่ฉลาดเชื่อคนที่สิ้นกิเลสแล้วนั้นแหลดีกว่าเชื่อกิเลสเป็นไหนๆความเชื่อกิเลสมากน้อยเพียงไรก็ยิ่งจมลงไปมากเราเคยเชื่อมันมานานแล้วคราวนี้ให้พยายามเชื่อทำ ซึ่งเป็นคู่ปรากกับมกิเลสนั้นให้กิเลสซึ่งเป็นภายต่ำมันค่อยบบบางลงไปความสุขความเจริญที่เกิดขึ้นจากการเชื่อธรรมกันประพฤติทธรรมจะได้มีขึ้นแก่พวกเราทั้งหลายนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานมาตลอดไม่มีคำว่าล้าสมัยก็คือสาสนธรรม ที่ทร ง, งสอนสอนไว้แล้วแม้จะปริพันธ์ไปกี่ปีกี่เดือนแล้วสอนว่าสิ่งนั้นผิดต้องผิดอยู่ตลอดมาและตลอดไปสอนว่าสิ่งนั้นถูกให้พากันทาก็ถูกอยู่ตลอดมาและตลอดไปไม่มีคำว่าล้าสมัยนอกจากพิเรศมันจะหลอกเราให้ล้าสมัยเท่านั้นเองให้ระวังตรงนี้นะพิเรศมันแหลมคมมาก ไม่ทันมันไม่ง่ายเลยพอขึ้นเวทียังไม่ได้ยกปูเลยมันใส่ตูมแล้วตกเวทีไปแล้วอพอขึ้นมายังไม่ถึงเวทีมันเตะตกบันไดลงไปอีกแล้วนั่นมันเร็วขนาดไหนกิเลสไม่อย่างนั้นมันจะเป็นจอมโลกได้ยังไงหรือโลกธาตุทั้งสามนี้กิเลสเป็นจอมกระสับพาให้สัตว์เกิดพาให้สัตว์ตาย สอนใครสอนก็สู้กิเลสสอนไม่ได้มันกระซิบทีเดียวเท่านั้นยอมมอบราบแล้วนะจะไม่เรียกว่ากิเลสเป็นแหลมคมได้อย่างไรแล้วอะไรจะปราบ ก, กิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือได้ถ้าไม่ใช่ทำทำยังเหนือกิเลสไปอีกแต่เมื่อกิเลสมันครอบหัวใจเราอยู่เราก็ไม่อาจเชื่อทำได้เลยเห็นทำเป็นฆ่าศึก เห็นวัดเห็นวาอาวาสเป็นค่าสุดเห็นคุณงามความดีทั้งหลายเป็นค่าสุด <c oughs> ผู้ไปวัดไปว่าจามศีลบางทำลักอ่าทำบุญให้ทานถือเป็นคนคึกคนล้าสมัยและเห็นหนุ่มสาวไปวัดไปว่าเฮ้ยนี่เป็นคนเท่าคนแก่หรือถึงไปไปวัดไปวา่า <c oughs> ไปอย่างนั้นเสียเ <c oughs> นี่ยกิเลสมันเที่ยวยอะเที่ยวยอยเที่ยวถากเที่ยวถางไปอย่างนั้นที่เราที่เคย เป็นลูกศิษย์ของกิเลสอยู่แล้วก็เชื่ออย่างง่ายง่าแล้วเวลาจะไปวัดก็เลยอายเขาไม่อยากไปเขาน่ะมันสูงขนาดไหนถึงต้องอายคนประเภทนั้นเป็นคนประเภทใดสูงขนาดไหนมีสงาา่าราศีมีอํานาจวาสนาบุญญาที่เกิดมาจากไหนเราถึงได้เชื่อเราถึงได้อายเขาทําไมไม่อายพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราศสาสดาของโลกนี้บ้างถ้าเราอายพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้สนุกสนานทําความภาคความเพียรเป็นเม็ดเต็นหน่วยให้ถึงที่ถึงแดง แห่งความพ้นทุกข์ไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่ากิเลสกล่อมให้จมอยู่นี้เป็นไหนไหนๆเอามาเทียบกันถ้าเป็นนักปฏิบัติเราเป็นลูกศิษย์ของตถาคตและนอกจากนั้นยังเป็นลูกศิษย์พระครมถานอีกด้วยซ้ํำครูบาอาจารย์ทั้งเราแต่ละองค์องค์ที่จะได้ทํามาต่ําสอนโลกนี้ท่านแทบล้มแทบตายสลบสลายไปก็มีบางองค์นั่นเป็นของเล่นเมื่อไหร่ได้ทำของจริงมาแล้วยังเห็นแบบเป็นตะกขวเป็นก้อนขวดแต่ได้เหรือและเห็นกิเลสเป็นทองคําธรรมชาติแต่ได้เ ห, เหเรือ ถ้าอย่างนั้นก็แพ้กิเลสไปวันยั่งคำ่ำหามันสดเปลืองไม่ได้ถ้ายังไม่เห็นโทษมันเมื่อไรในขณะเดียวกันต้องเห็นคุณค่าของมันและยอมมันตลอดไปความยอมมันตลอดไปผลเป็นอย่างไรนี่แต่ความทุกข์ความทรมานแ ผ, น ผ, นผนดจิตใจเราจึงต้องใช้ความเป็นนิพิจรณาในวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องจิตสงบจิตพึ่งตัวเองยังไม่ได้จึงต้องอาศัยเกาะนั่นเกาะนี้ และเมื่อพึ่งตัวเองได้โดยลําดับย่อมปล่อยบางมาสิ่งที่เคยเกาะนั้นโดยลําดับลําดับจนกระทั่งพึ่งตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วปล่อยวางหมดโดยประการทั้งปวงขึ้นชัว้วสมมุติไม่มีอยู่ภายในใจเลยนั่นแหละที่นี่เป็นจิตอันเอกเป็นธรรมอันเอกของผู้นั้นเป็นสมบัติอันล้นค่าเป็นสมบัติชั้นเอกของผู้นั้นผู้นั้นคือใครก็คือเราพูดรักษาศีลภาวนาทําบุญให้ทานอยู่นี่แหละจะเป็นของใครทําเป็นสมบัติกลาง บุญเป็นสมบัติกลางขารหาได้ทั้งนั้นวันนี้เทศให้ฟังเป็นส่วนรวมทั้งฝ่าพระและประชาชนซึ่งมีหัวใจไม่ใะเทศเป็นแบบเดียวกันให้ได้ฟังโดยทั่วถึงกันในการประพฤติปฏิบัติการเทศมา น, นี้บางท่านก็อาจจะเข้าใจว่าเทศธรรมะสูงเกินไปม สามารถที่จะปฏิบัติได้นี่ก็พึงทราบ ว, ว่ากิเลสกระซิบเข้าไปแล้วบาเวลาเป็นเรื่องวิสัยของกิเลสทําไมถึงไม่ไม่ว่าสูงเกินไปไม่ว่าต่ําเกินไปเวลาจะข้าวัดขวาัดฟังทํามจำศีลนั่งสมาธิภาวนาอำนาจวาสนาน้อยทําไปไม่ได้แล้วเนี่ยบางเวลานอนจมอยู่กับกิเลสนั้นมีวาสนามากแล้วเหรอก็ต้องถามตนบ้างอย่างนั้นมันตึงทันกับกิเลสถ้ามีอะไร กันบ้างสวนหมัดกันบ้าง <c oughs> ก็ไม่เรียกว่านักมวยปล่อยให้เขาตีเอาตีเอ า, ต, เอาตูมเอาตูมเอาตกเวทีไปเรื่อยๆมันเป็นท่าอะไรอย่างนั้นมันต้องมีการต่อสู้กันบ้างนี่เราเป็นนักต่อสู้กับความชั่วเพื่อความดีต่อสู้ฝ่ายต่ําเพื่อทําอันสูงเราต้องพินิษฐพิจารณาวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งมันล่วงไปนานเท่าไหร่ <c oughs> วันหนึ่งล่วงไปแล้วยี่บสี่ชั่วโมง ทั้งวันทั้งคืนหนึ่งล่วงไปแล้วยี่สี่ชั่วโมงแล้วปีหนึ่งมันล่วงประจายสารอยหกสห้าวันชีวิตจิตใจของเรามันล่วงไปด้วยหรือไม่เราคิดแล้วยังคนมันหนุ่มสาวย้อนหลังได้ไหมมันแก่ไปไเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื ย, เยสุดท้ายก็จมธาตุขันลงลงจมดินจมน้ําจมลมไฟตามเดิมจิตใ จ, จเราเป็นยังไงได้หลักไป ด, ดิพึ่งแล้วยังอาศัายธาตุขันนี่มานานแล้วพอจะสั่งสม กำลังของตัวให้พอเป็นที่พึ่งของตัวได้บ้างแล้วได้แล้วยังเนี่ยต้องคิดนักปฏิบัตินักธรรมะต้องคิดถ้ายังตรงไหนเอาบกคล้องตรงไหนซ่อมขึ้นมาซ่อมขึ้นมาอย่าไปคํานึงว่ากิเลส จ, จะมาห้ามมาให้อํานาจวาสนานอกจากความดีของเราที่ทําเท่านั้นจะเป็นผู้เพิ่มอํานาจวาสนาให้แก่เราให้คิดตรงนี้จึงจะทันกับกิเลสมันมันจะไม่ได้หัวเลาะเยาะ อ, อยู่นี่ละ่ะการแสดงธรรม ให้ทุกท่านนําบัพติปฏิบัติแต่พะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นแนวหน้าก็คือนักบวชนักบวช น, นักปฏิบัติเป็นผู้เห็นภายในวะัฏะสงสารบวชมาเพื่อความเห็นภยัยบวชมาเพื่อความการชำระจักสารกิเลสในขณะเดียวกันอย่าหลงกฎมายาของกิเลสกระสิบให้บวชมาสังสมกิเลสนะอันนี้เป็นสําคัญเรียกมาสังสมธรรม มันต่อมาเลยกลายเป็นสั่งสมกิเลสไปแล้วก็เป็นฆ่าสึดต่อตนและหูตาประชาชนเป็นฆ่าสึดไปหมดตลอดทุงจิตใจชาวพุทธทั้งหลายกลายเป็นฆ่าสึดเพราะความสั่งสมกิเลส ข, ของพระอันนี้ให้ระวังให้ดีพยายามทําตัวให้เป็นผูช้ชําระสสารกิเลสอยู่ด้วยความภาคเพียรคําว่าพราะก็แปลว่าประเสริฐเพศนี้เป็นเพศที่ประเสริฐอยู่แล้ว การประพฤติปฏิบัติที่ใช้กลมกลืนกับเพศนี้ก็คือการประพฤติให้เป็นวิเศษด้วยความภาคเทียนชําระกิเลสนั่นแหละนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมชําระกิเลสอยู่ตลอดเวลานั่นคือเป็นงานอันประเสริฐของเราสมบัติอันล้นค่านี้ไม่มีใครที่จะได้ยิ่งกว่าผู้ทํางานอันวิเศษนี้เลยผลก็คือผลวิเศษนี่แหละการแสดงธรรมเท่าที่ดแสดงมานี้ก็เห็นว่าสมควรเจรเวลา ความอำนาจของคุณพระศรีราตนาไตรคือพระพุทธเจ้าประรรมพระสงค์จงมาอภิบาลนักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุด ก, กายสบายใจและปฏิบัติหน้าที่การงานของคนไปด้วยความราบรื่น ด, ดีงามโดยทั่วกันเอวังก็มีด้วยประการระชนิย